เรื่องราวบงเต็จบางตอของพระจันรีธรรมธโรซึ่งเป็นปัสสนาจารย์ลูกศิษย์ของพระจันมั่นท่านได้เคยเล่าถึงเหตุการณ์ตอนหนึง่งคือได้ทุ่ดงเข้าไปในในป่าแล้วก็ได้พบ ชาวบ้านสามีภรรยายคู่หนึ่งเด็กก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์บางตอนอยู่วันหนึ่งได้เข้าไปหาของป่าแล้วก็โดยไม่ทันรู้ตัวก็มีหมีตัวใหญ่เนี่ยเข้ามาทำร้าย ตัวภริยานี่ก็หนีทันก็รีบบิ่งขึ้นต้นไม้ตัวสามีหนีไม่ทันนะก็หนีมเข้ามาประชิดตัวก็มีการต่อสู้กันเป็นพลวันแต่ว่าคนก็แรงน้อยอยู่แล้วก็สู้ไม่ได้ในระหว่งที่กำลังเต้นทำอยู่นั้นเนี่ยตัวภริยาซึ่งอยู่บนต้นไม้ก็ตะโกนมาว่าให ให้ทำตัวนิ่งๆตัวสามีซึ่งกำลังแย่อยู่ก็เกิดสติขึ้นมาก็ได้สติขึ้นมาก็เลยแกล้งทำตัวเหมือนคนตายนอน น, น, น, อนอนนิ่งๆนี่มันก็พอนอนนิ่งๆนี่นก็ชะงักแล้วก็เข้าไปยืนคล่อมตัวอยู่บนล่างของ ชายชาวบ้านคนนั้นมันก็เอามือตบข้วเอาแล้วก็ลากขาแย่ก็ทำตัวอ่อนเหมือนคนตายจริงๆหนีมันพอรู้ว่าพอรู้ว่ า, วาตายแล้วมันก็เลยเดินจากไปก็เลยเปไปถามว่ารอดตายพอเล่าเรื่องนี้ให้พระาจารีฟังท่านก็ได้คติหรือว่าข้อคิดขึ้นมาว่า ถ้าจะพ้นตายก็ต้องทำตัวเหมือนคนตายแล้วข้อความประโยคนี้นี่าสนใจเพราะว่าเหตุการณ์ทำนองนี้เนี่ยก็เคยได้ยินมาก็เมื่อวานนี้ก็คุณปูก็มาไลฟังก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็คือเล่าว่าตอนที่ไปไว่ายน้ำใน ที่เกาะสมุยแล้วก็ว่ายน้ํนาครที่อยู่อยู่กลางทะเลนั้นเนี่ก็น้ําคลื่นก็ซัดจากฝั่งออกมาสะท้อนจากฝั่งออกมาก็ออกไกลาจากฝั่งไปเรื่อยๆพยายามว่ายเข้าฝั่งก็ว่ายไม่ได้เพราะว่ามันสู้กับกระแสน้ำว่ายเท่าไหรเท่าไหร ก, ก็ก็ไม่ได้ผลกลับจะห่างออไปจากฝั่งเรื่อยๆ คนที่อยู่บนฝั่งเขาเห็นเขาก็จะเข้ามาช่วยแต่เ้าก็ช่วยไม่ไหวเพราะคลื่นมันแรงก็พอรู้แบบนั้นก็คิดว่าคงจะตายแน่ก็ในขนาดนั้นก็เลยปล่อยวางยอมไม่ไม่ดิ้นเพยย้อไม่พยายามกระเสือกกระสนเข้าฝั่งปล่อยวางทุกอย่างพร้อมจะตายก็นิ่ง ในราะวะเช่นนั้นมีความตื่นตอนหนอกก็หายไปแต่ขณะที่พร้อมรับสภาพคือพร้อมรับความตาย น, นั้นเองก็ปรากฏว่าคลื่นก็ค่อยๆพาเข้าฝังก็เรียกเป็นอะไรรอดตายรอดตายเพราะว่าพร้อมเพื่อตายหรือว่าพูดสำนวนของอพระอาจารย์เรียงคือว่าทำตนเป็นคนตาย ถ้าเกิดว่าไม่ทําตนเป็นคนตายพยายามกระเสือกระสนดิน้นรนก็คงเหมือกชายาที่เป็นสามีที่เราให้อาจารย์หลีฟังคือพยายามต่อสูนะ้ก็คงตายแน่นอนแต่เพราะไม่ต่อสู้นิ่งนะยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นหรือว่าทําตนเป็นคนตายตนเองเมื่อหลายปีก่อนก็ได้ยินเรื่องหนึ่งนะ อันนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาก็ผู้หญิงคนนึ้งก็กำลังขับรถไปทำงานบนฟรีเวย์หรือทางด่วนขับด้วยความเร็วสูงมากขณะที่เลี้ยวโค้งเนี่ยก็พากฏว่า้ข้างหน้าเนี่ยมันมีรถติดเป็นแถวยาวเมือ่อเห็นเช่นนั้นก็ชะลอชะลอ ขณะที่รถใกล้จะขณะที่รถของตนนี้ใกล้จะไปถึงรถคันหน้านี่ที่กำลังจอดเตะอยู่มองไปที่กระจกหลังก็เห็นรถอีกคันหนึ่งวิ่งแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ชะลอด้วยก็หมายความว่าต้องชนแน่ชนท้ายแน่ข้างหน้านี่ก็มีรถอยู่แล้วก็รถที่ตัวขับก็ ความเร็วก็ยังไม่ได้ก็ลดเมยมากนะตอนนั้นรู้เลยว่าจะต้องถูกอัด Copy แนะและก๊อปปีแบบนี้นี่ก็คงจะสงสัยจะไม่รอดในช่วงขณะนั้นเนี่ยก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นมาได้คือรู้สึกตัวว่ามันเกร็งมือที่จับพวงมาลัยนี่เกร็ง ในขณะช่วแปบนั้นก็เกิดความคิดได้ความได้ตระหนักขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เครียดเกร็งมาตลอดในขณะที่ใกล้จะตายนี้ก็จะขอไม่เกรงไม่ไม่ทำอย่างไัต่อไปขอให้ตายอย่างในสภาพที่สบายผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็ยอมเตรียมใจรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีความตื่นตกใจ พอพร้อมแล้วแล้วรถคันนั้นก็ในสุดก็รถที่ตามด้านหลังเราก็มาชนอัดก๊อปี้อย่างแรงเสียงดังสนั่นแล้วแกก็ไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นรู้สึกตัวทีก็มีคนกำลังชุดกำลังดึงออกมาจากรถไม่ตายแล้วก็พอออกมาเห็นสภาพวถก็ สงวนสงสัยว่ารอดมาได้ไงเพราะรถหรือว่าถูกอัดทั้งหน้าทั้งหลังมีแบะเรียว่ายับเยินตำรวจที่มาช่วยนี่มาดูมาช่วยในเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นปกติอย่างนี้ตายแล้วแต่ว่าคุณนิวนาว่าโชคดีมากที่ไม่ตายตานหลังก็แกก็พอจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่า ตอนที่ตามตัวผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันทําให้ช่วยให้ไม่เผชิญกับแรงกระแทกเพราะถ้เจอกับแรงกระแทกในท่าที่ตัวเกร็งเนี่ยก็จะต้องคอหักหรือแม้ก็เรียกว่าเอาวแล้วก็แย่ไปปนปี้เสียหายจตววางคนไม่ได้เสียหายอะไรมากเลยเพราะว่าทําตัวอ่อนเพราะผ่อนคลายที่ผ่อนคลายก็เพราะว่าพร้อมเก็บตายอยู่แล้ว อันนี้ก็สอนรับก่าที่พระอาจารย์เลยบอกว่าเพคนตายก็ต้องทำตัวเื็นคนตายเลยเพราะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น อ, อยู่อยู่หลายครั้งหลายคนที่ในสภาะที่ใกล้าตายเนี่ยพอพอพร้อมรับสภาพเลเนี่ยเขาจะเขาจะประสบกับความสงบเย็นแล้วก็ความเย็นหรือความนิ่งบางทีก็ช่วยให้รอด ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเจออาการแบนี้ก็จะตื่นตกใจไม่มีสติแล้วก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะให้มีชีวิตรอดแต่มันก็น่าแปลกคือว่ายิ่งอยากจะยิ่งอยากจะรอดก็กลับไม่รอดแต่พอพร้อมจะตายก็กลับไม่ตายคําว่าทําตนเนคนตายนี่ ที่พูดไาก็เป็นเรื่องของคนที่เรียกว่าเจอวิกฤตกระทำฐานแล้วก็แน่นิ่งไม่ตื่นตนหนกนะก็ทำให้รอดตายแต่ว่าความการที่ความตนเป็นคนตายยังมีควา ม, มาอีกแ น, น่นก็คือว่า ร่างกายจะไม่ได้แน่นิ่งอะไรเท่าไหร่แต่ว่าใจไม่ปล่อยวางคือพร้อมจะตายตลอดเวลาอาจจะไม่เจออุบัติเหตุกะทันหันแต่ว่าอาจจะเจอโรคภัยที่ทําให้ค่อยๆตายเปลี่ยนช้าๆแต่ว่าเมื่อพร้อมเมื่อพร้อมที่จะตายแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางที่ใจนะ ก็อาจจะลอดตายรอดจากความเจ็บความปวดก็มีในสายาพุทธการณนี้ก็มีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของสามีภริยานกปุณิตานกุลณานดานักปุณิตานี้ป่วยป่วยหนักเรียว่าอาการแย่แล้วภรรยาก็เข้ามา สิ่งนสิ่งที่ภา ย, ยาเข้ามาคุยกับสามีก็คือว่าแนะนำให้ปล่อยวางบอกว่าอนะย่าห่วงนะว่าตัวภรรยาเนี่ยอย่าห่วงว่าตัวฉันเนี่ยนะจะดูแลลูกไม่ได้จะรักษาบ้านไม่ได้ขอให้อย่าห่วงเช่นนั้นเพราะว่าจะดูแลลูกจะรักษาบ้านอย่าห่วงนะว่าฉันจะไปมีชายอื่น ฉันก็จะคลองตัวเป็นโสตินี่แหละเดี๋ยวห่วงหน้าว่าจะได้จะไม่อุปถมัมภะพุทธธรรมพระพุทธป ร, ร, ร, ร, ระสงค์ผู้ใดเจ้าและประสงค์ก็จะนิมนต์ม า, าทําบุญที่บ้านแล้วก็จะอุปถมัมนิมนต์มาแสดงธรรมอยู่เนืองๆ เ, เดี๋ยวห่วงนะว่าฉันจะไม่ทําศษให้บริบูรณ์ก็จะตั้ง ก็จะมั่นคงในศีลอย่าหว่วงว่าจะไม่รู้จักทำความสงบใจแล้วก็อย่าห่วงว่าจะพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่มีพระธรรมรักษาใจคือพูดใ ห, ให้คลายในเรื่องเหล่านี้เนี่ยทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไปจนกระทั่งนักบิญปิตาเนี่ยก็หายกังวล เกิความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาปรากฏว่าหายป่วยเลยหายป่วยนะกลับมามาเป็นอุบาศกที่อุปัธรรมพระพุะทธองค์อย่างเหนียวแน่นเช่นเคยนะคือพอใจปล่อยวางได้เนะี่ยใจปล่อยวางไม่มีความกัวงวลนีบางทีนะกลับกลับรอด น, นะ มีกรณีนึงซึ่งแปละนะสมัยที่อาตมาอยู่วัดอมารวดีของหลวงพ่อสุมเมโตเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมีพระเถระรูปนี้นป่วยเป็นคนที่ปกติก็เป็นคนที่อ่อนแอน์อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยป่วยหนักป่วยด้วยโรคซึ่งหาสาเหตุไม่พบนะ คณะสงฆ์แล้วก็พยายามช่วยนะพาไปหาหมอดูแลใจใสหมอที่มาดูแลก็มีทั้งหมอแผนใหม่หม อ, อแผนทั้งเลือกนะแต่ท่านก็อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่บางครั้งทำท่าว่าจะดีขึ้นก็กลับซุดลงนะเพื่อนเอนที่มาเยี่ยมก็ให้กำลังใจให้ต่อสู้ให้วางใจ หรือว่าช่วยทุกอย่างให้กำลังใจแนะนำใด้ จ, จิตใจใครมาหาก็พยายามนะกระตุ้นให้มีกำลังใจแต่อาการท่านก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงจนน่าเป็นห่วงมากในละ ว, วันนึงหลวงพ่สุมเมทรก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมแล้วก็บอกพูดกับพระท่านนั้นแทนที่จะให้กำลังใจ อย่างพระทั่วๆไปก็บอกว่าถ้าท่านพร้อมถ้าท่านนะถ้าท่านคือท่าบอกว่าอย่าอย่าพยายามที่จะรักษาตัวให้หายถ้าท่านไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ขอให้จากไปด้วยความสุขสบายนะอย่าไปห่วงกังวลพวกเรา ได้ไปพยายามดิ้นลนที่จะรักษาตัวให้หายถ้าท่านจะตายก็ใหตายอย่างสบายใจเรากฏว่าทีละน้อยทีละน้อยภาวะรุมนี้ก็ดีขึ้นและสุดท้ายท่านก็หายนะตอนหลังท่านก็ลาสิกขาไปแล้วก็ ต อ, ตอนหลังก็ได้ข่าวไ ป, ไปสอนไปแพทย์ไ ป, ไปแพททำมาอยู่แถวแอฟริกาอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าทำไมนะพอพราจารย์สมเมโทปู้เชนนั้นเนี่ยก็กลับรู้สึกดีขึ้นก็มีคำอธิบายว่าเป็นเพราะว่าทีแรกเนี่ยท่านก็พยายามที่จะต่อสู้นะกับโรคภัยไข้เจ็บนะ แต่การต่อสู้นั้นเนี่ยมันฝืนกับความเป็นจริงพยายามสู้เท่าไหร่ก็ไม่หายและขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกผิดที่ไม่หายด้วยเพราะว่าเพื่อนๆก็พยายามช่วยพยายามพยายามให้กําลังใจแต่ตัวไม่หายสักทีรู้สึกผิดที่อาการแย่ลงและความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็ไปทําให้สุขภาพร่างกายแย่ลงไปด้วยแต่หลวงพ่อชมุมไอโท้เนี่ยทำให้ท่านเนี่ย ผ่อนคลายจากความรู้สึกผิดคือถ้าจะตายก็ตายอย่างไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรในความรู้สึกแค่นี้ก็พอรู้สึกว่าตัวเองตายได้ยังไม่ต้องห่วงอะไรเนี่ยมันก็เหมืนอนกับโล่งอกยกภูเขาจ้องปกก็กลายเป็นว่าจิตใจที่ผ่อนคลายนั้นก็ช่วยทําให้ให้สุขภาพดีขึ้นนะคือรียพอพร้อมที่จะตายแล้วเนี่ยไอต้ตะก่อนไม่พร้อมที่จะตายพอห่วงใยเพื่อ น, เ, อนเกลียดใจเพื่อนแต่พอ อนุญาตให้ตายได้พร้อมจะตายก็กลับไม่ตายอันนี้เนี่ยนะบางครั้งก็เป็นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงส่วนใหญ่คือว่าแม้ว่าพร้อมจะตายแล้วแต่ว่าถึงเวลาก็ตายจริงๆนะไม่สามารถที่จะเอาชน ะ, ะความเจ็บป่วยได้แต่ว่าท่านที่พร้อมที่จะตายด้วยการปล่อยวาง ก็ตายอย่างสงบไม่ได้ทุรนทุรายอันนี้จะเรียกว่าชนะความตายก็ได้เพราะวาความตายเนี่ยมักจะทำให้คนเราเจ็บปวดทุรนทุรายแต่เมื่อทำใจสบายพร้อมจะตายคือปล่อยวางนะไม่หวงแหนไม่อะไรชีวิตไม่ยึดติดในสิ่งใดๆ ก็ตายไปอย่างสงบเป็นการตายอย่างสงบที่เรียกว่าอยู่เหนือความตายหรือแง่ที่ว่าความตายทาให้ทุรนทุรายไม่ได้นะอันนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าพ้นตายได้เหมือนกันนะคืออยู่เหนืออิทธิพลหรืออำนาจของความตายที่ทําให้คนทั่วไปนี่ทุรนทุรายเจ็บปวดคราวนะ น, นี้มาพิจารณา ที่พระอาจารย์หลีได้พูดเนี่ยว่าจะพ้นตายก็ทำตนเหมือนคนตายเนี่ ย, ยมีความหมาย อ, อีกชั้นหนึ่งแล้วชั้นที่3าก็ได้ก็คือว่าทําตนเป็นคนตายในนี้ไม่ได้ไ ว, ว่าไม่ได้หมายความทํากายแน่นิ่งไม่ได้หมายความว่าปล่อยวางสิ่ ง, งต่างๆพร้อมโยต่ได้ทุกเวลาแต่ยังมีความหมายลึกไปกว่านั้นก็ว่าคือตายจากความยึดถือในตัวตนอันนี้ละเอียดมา คือตายจากความเป็นฉั น, นอันนี้เราเป็นการทําตนเหมือนคนตายที่ที่ที่ละเอียดที่สุดตรงนี้เนี่ยพอไอ้ตัวตนที่เคยยึดมั่นถือมั่นมันตายเรียกว่าตายจากกิเลสตายจากความพิถีในตัวตนเนี่ยตัวฉันตายไปในวิถีนั้นเนี่ยก็เรียกว่า ความตายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเรียกว่าไม่ตายก็ได้คือมีแต่ความตายแต่ไม่มีฉันเป็นผู้ตายตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่สาคัญมากคือไม่มีฉันเป็นผู้ตายเพราะว่าตัวฉันมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วจะจะมี ความตายเกิดขึ้นได้อย่างไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการหมดลมแล้วก็ละสังขารไปมันก็เป็นเพียงแค่กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติที่ไม่เรียกว่าตายเหมือนที่เร า, าจะเรียกว่าดักแดงเมื่อเปลี่ยนเป็นผีเสื้อเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าดักแด้ตายจะ แ, แค่เปลี่ยนสภาพไป แต่ในกรณีของผู้ที่ตายจากตัวตนนะตายจากกิเลสอันนี้ความตายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะไม่มีผู้ตายตั้งแต่แรกไม่มีฉันตายตั้งแต่แรกคือฉันไม่ความเป็นฉันมันหมดนะมันก็ไม่มีความตายเกิดขึ้นอันนี้เราเป็นการพ้นตาย ในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดการตายจากกิเลสหรือว่าการตายจากความยึดถือในตัวตนเนี่ยทางพุทธศาสนาเรียกว่าสมุติเฉดมรณะคือตายแบบที่เรียกว่าไม่มีไม่มีโอกาสที่จะคือกิเลสมันตายจนกระทั่งนะไม่มีโอกาสที่จะนอกจากจะไม่ไปเกิดแล้ว เป็นความตายที่ทาให้ไม่ไม่ไม่ไม่มีการเกิดใหม่และเมื่อ ไ, ไม่มีการเกิดมันก็ไม่มีการตายนะแต่นั่นเป็นเรื่องของอสภาวะหลังความตายที่ว่ายังมีการเกิดการดับแต่ถ้าถ้าหากว่ามันไม่มีการเกิดตั้งแต่แรกการดับหรือการตายก็ม่มีและในช่วงที่รังสารไปนะก็ไม่ถือว่าเป็นความตาย ในสายตาคนไายนอกอาจจะรู้ว่านี่นี่ตายแต่สำหรับตัวเจ้าของหรือตัวที่ อ, อยู่ใน อ, อยู่ในตัวผู้ที่จะจากไปนั้นเนี่ยไม่มีความตายเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะไม่มีความสุขเป็นตัวเป็นตน ว่าเป็นฉันเป็นนั่นเป็นนี้ตั้งแต่แรกแล้ น, นี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นข้อธรรมที่อยากจะให้เราได้พิจารณากันนะแม้ว่าเริ่มตั้งแต่ข้อความหมายพื้นพื้นความหมายแรกเนี่ยนะก็คือการที่ทำตนเป็นคนตายในลักษณะที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทนันหันแล้ว ก็พร้อมนะไม่ไดิ้นรนะอันนั้นเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะรอดจากความตายได้แต่ในกรณีที่ไม่รอดจากความตายแต่ถ้าว่าเราทับใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ยึดถือไม่กเกาะเกี่ยวไม่พวงหาอะไรสิ่งใดทั้งสิ้นลวนทั้งไม่อะไรในชีวิตนะก็จะ เป็นการจากไปอย่างสงบเป็นการจากไปอย่างสงบที่ต้องเรียกว่านะความตายทําอะไรไม่ไดนะ้ถ้าว่าเราสามารถจะทําได้นะยุ่งฝึกตนในสองประการข้างต้นเนี่ยนะมันก็นับว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ ที่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำไดนะ้แต่ว่าให้เราพยายามที่จะพยายามเข้าไปก้าวหน้าในการปฏิบัติสู่ขั้นที่3ก็คือการตายจากความยิดถือในตัวตนให้รู้ให้เท่าทันในความที่ถือตัวตนที่มันชอบแสดงอาการออกมา อันนี้การตายการสุดให้การสุด ก, ก, ก, การเรียนรู้ให้ตายจากตัวตนเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะในที่ประจำวันอยู่เสมอส่วนนั้นก็เกิดจากการฝึกในการระหว่างการปฏิบัติเพราะว่าในการปฏิบัติดีเพราะการฝึกแบบสติปัฏฐานเนี่ยนะทุกครั้งที่เรามีสติ คองใจเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยหลุดจากความอยู่ในตัวตนโดยอัตโนมัติเมือ่อเมื่อตากระทบรูปเกิดการเห็นขึ้นถ้าไม่มีสติมันก็ไม่ใช่มีแค่การเห็นแต่มีผู้เห็นด้วยและเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่แค่มีเวทนาเกิดขึ้นอย่างเดียวเมื่อไม่มีสติก็เป็นผู้ ปวดพูดเจ็บหรือผู้ทุกข์ตามมาด้วยไม่ใช่เวทนาเกิดขึ้นเฉยๆนะเมื่อไม่มีสติความเป็นเจ้าของเวทนานะั้นก็เกิดขึ้นตามมาแล้วก็ปรุงแต่งไปสู่ควา ม, มปรุงไปสู่ตัณหามีตัณหาเกิดขึ้นแล้วไม่มีสติก็กลายเป็นผู้อยากผู้ไม่อยากความเป็นตัวฉันมันเกิดขึ้นทันทีที่ไม่มีสติใน ระหว่างที่เกิดผัสสะหรือเกิดเวทนาเกิดตัณหาแต่ถ้าถึงขั้นอุปาทานแล้วก็ยากที่จะมีสติหรือว่ายากที่จะละความยึดถือในตัวตนนัน้นก็ปรุงแต่งไปเป็นพกเป็นชาติต่อไปการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราลองปฏิบัติลองสังเกตดนะูเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติในการเดินในการเดินในการนั่งหรือสติในขณะที่เกิด ควารสึกคาิดต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสักแต่ว่าเกิดมันจะมีศักแต่ว่ามีอริยบทแต่ว่ามันไม่มีตัวฉันที่เป็นผู้ทำโ น, โน่นผู้ทำนี่ไม่มีตัวฉันพูดเดินไม่มีตัวฉันผู้รู้สึกสตินี่เป็นตัวเป็นอุบายสลายตัวตามตัวตนนะอันนี้ก็เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยแสดง โปรดทําแสดงทำให้กับภาหิยะนะพวกเราของฆ์เจ้าดิพาหิยะนี่ก็เป็นเป็นผู้ที่พยายามที่จะแสวงหาพระพุทธเจ้าเพื่ทอที่จะฟังคำสอนผู้่ที่ได้บวชแต่ว่าก็ไม่มีทั้นไม่มีโอกาสได้บวชเพราะว่าเกิดถูกวัวผิดตายซะก่อนแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ น, นั้นเนี่ยก็ได้ฟังธรรมะจากพุทธเจ้า พายยาก็พยายามเร่าพระกุฎวงให้แสดงธรรมในคราที่พระองค์กำลังบิดาบาตอยู่พระองค์ก็ปฏิเสธถึงสาครั้งพายยากก็ยืนกรานอยากจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมสั้นๆวา่าเมื่อเหตนก็สัตวะเห็นเมื่อได้ยินสัตวะได้ยินเมื่อได้เปลี่ยสัตวะได้เปลี่ยนจนกระ่อเมื่อรู้ในอารมณ์ก็สัตวะรู้ในอารมณ์นั้นเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มี ตัวเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้ในกนกนาและในะหลวงโลกทั้งสองนะก็เรียกว่าก็าจะบรรูุถึงก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคือเข้าถึงนิพพานนั่นเองตรงนี้เนี่ยพระพทองค์ได้ย้ำว่าผู้ใดก็ตามที่มีสตนะิในภาษาทั้งปวงเนี่ยนะตัวฉันหรือว่าความยึดถือใน ความยึดถือในตัวตนก็จะไม่ปรากฏนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถ้าเราเจริญสติอย่างสม่ำเสมอทั้งในการปฏิบัติและในการชีวิตประจําวันเนี่ยให้ความยึดถือในตัวตนก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแต่ว่าในชีวิตประจําวันเราก็จะต้องเจอสิ่ ง, งต่างๆมากมายที่มากระทบนะซึ่งทําให้เกิดความกลัวเกิดความไม่พอใจเกิดความหมุดหมิดตรงนี้ เราก็ต้องใช้สติให้รู้เท่าทันในความรู้สึกและอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็รู้เท่าทันว่ามันแสดงอาการอย่างไรเวลาถูกตำหนิถ้าเราไม่มีสติอัตตาตัวตนมันก็จะออกหน้าขึ้นมาแกว่าฉันทำไมแกว่าฉันทำไม ไอ้ตัวฉันมันเกิดขึ้นทันทีที่ถูกตำหนิแต่ถ้าหาว่าเราฝึกที่จะไม่ปล่อยให้อัตตาหรือตัวฉันเนี่ยมันออกมาเพ่นพานตั้งแต่แรกด้วยการพด้วยการฝึกให้มีปฏิกิริยาโดยเอาปัญญาออกหน้าเมื่อเขาตำหนิ แทนที่จะพุดขึ้นมาในใจว่าฉันว่าด่าฉันทํำไมนะแกดีนักหรือฉันนี่รู้ไหมว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครนะเดี๋ยวนี้เรามักจะได้ยินคําแบบนี้บ่อยๆรู้ไหมว่ากูเป็นใครรู้ไหมว่ากูเป็นลูกใครนะแล้วก็ตบตีกันตามมาหรือแม้ก็ะทยิงกันนี่คืออัตราออกหน้าแต่ผู้ที่ฉลาดผู้ที่มีสตินเนี่ย เมื่อถูกตาหนิเขาจะถามว่าจริงไหมสิ่งที่เขาพูดมาถูกต้องไหมเป็นความจริงไหมมีประโยชน์หรือเปล่านะมันจะไม่มีตัวฉันออกหน้าไม่มีตัวตัวกูออกหน้าคือเอาความจริงเอาประโยชน์นะเป็นหลักอันนี้ถ้าพูดก็เรียกว่าคือเอาธรรมะออกหน้านั่นเองนะ พิจารณาอะไรต่างๆไม่ได้เอาตัวตนเป็นหลักนะแต่ว่าเอาธรรมะเอาความจริงเอาประโยชน์เป็นหลักเมื่อจะทําอะไรก็จะไม่ถามว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรแต่ก็ถามว่าสิ่งนี้ถูกไหมแล้วว่าส่วนรว่จะได้อะไรก็คือเอาเอาธรรมะเอาความจริงเ อ, อาประโยชน์เป็นตัวตั้งถ้าเราถ้าเราเอาธรรมะเอาประโยชน์เอาตัวเอาความจริงเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็จะไม่เปิดทางให้อัตตาเนี่ยเข้ามา เป็นเจ้ากี่เจ้าการได้และมันก็จะค่อยๆลดละความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาเวลาฟังบางคนเนี่ยฟังธรรมะนะฟังเทศเสร็จแล้วก็จะไม่พอใจขึ้นมาเพราะไปหาว่าผู้เทศนั้นเนี่ยกำลังว่าตัวเองเนะ นี่ก็เล้วเอาตาออกหน้านะแทนที่จะแครควรเอเอที่เขาพูดมาที่ก็แสดงธรรมาจริงไหมและจะเอามาใช้กับตัวเองได้อย่างไรบ้างกล่าวนะกลับหาเรื่องเอากลับยกอัตตาเข้ามารับการเข้ามารับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือมารับการกระทบกระแทก ทุว น, นี้เราเอ า, อาตามารับการกระทกระแทกจากสิ่งต่างๆมากมายถ้าเราเอาปัญญาหรือเอาธรรมะเนี่ยมามาออกหน้าแทนนอกจากเราจะมีชีวิตที่สงบสุขแล้วเนี่ยมันยังช่วยเป็นการลดละความยึดติดในตัวตนลงได้สิ่งเหล่า น, นี้เราสามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจําวันนอกนจากการฝึก อย่างที่ท่าจารย์พทเรียกว่าการฝึกดับให้เหลือฝึกดับให้เหลือนี่ก็คือการฝึกโดยพิจารณาว่าหากเราจะต้องตายเนี่ยเราจะลดละปล่อยวางตัวตนอย่างไรเป็นการฝึกอยู่ในชีวิตประจาวันโดยเอาความตายเนี่ยมาเป็นมาเป็ น, ม า, ปนมาเป็นประเด็นหรือมาเป็นจุดกระตุ้นให้เกิดให้เรนรู้ที่จะปล่อยวาง อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราควรจะฝึกการปล่อยวางในตัวตนคือการไม่เอาอัตตาตัวตนออกหน้านะทุกครั้งที่มีสิ่งต่งางๆมากระทบให้ขัดใจและสิ่งที่เราเรียกว่าชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มี พื้นฐาน ม, มาจากความเอาการเอาตัวตนเป็นที่ตั้งถ้าถูกใจฉันก็ดีถ้าไม่ถูกใจฉันก็ไม่ดีนะแต่ถ้าเราพยายามฝึกโดยคว <c oughs> ามลบธรรมเอาธรรมะ <c oughs> เอาความถูกต้องเอาประโยชน์เป็นหลักเนี่ยนะมันจะเป็นการฝึกให้เรา มีสติที่จะรู้เท่าทันอุบายของอัตตาตัวตนมากขึ้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะโยงไปถึงเรื่องของการเป็นเจ้าข้าเจ้าของหรือความเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งอัตตาตัวตนเนี่ยก็มักจะฉวยมักจะยึดสิ่ ง, งต่างๆมาเป็นของตัวรวมทั้งยึดอะไรอะไรต่างๆ มาเป็นตัวเป็นตนนะรวมทั้งความเป็นนั่นเป็นนีนะ่ที่เราเรียกว่าภพชาตนะิเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของความยึดถือในตัวตนอีกแบบหนึง่งนะซึ่งะจะขอพัดเอาไว้พูดในวันพรุ่งนี้นะ แต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เราลองพิจารณาสม่ำเสมอนะว่าเราจะทำตนเหมือนคนตายได้อย่างไรนะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเอาชนะความตายได้หรือเพื่อที่เราจะพ้นตายอย่างที่พระอาจารีท่านได้พูดเอาไว้นะก็เช้านี้ก็ สิทธิ์่เขาีอให้เราทำความสงบสัุขก่อนที่จะเลิกกัน